เพาคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐวันพระจึงถือว่าเป็นวันสร้างผู้ประเสริฐขึ้นมาใคอยากจะเป็นผู้ประเสริฐใคอยากจะเป็นผู้ที่น่ายกย่องนับถือเคารพกราบไหว้บูชาอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกัน ก็ต้องมาทำประโยชน์ในวันพระกันต้องมีกิจกรรมถ้าเป็นวันพระแล้วไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรวันพระก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความประเสริฐขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ความเป็นพระเกิดขึ้นมาก็อยู่ที่การกระทำตามคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้ามีการทำบุญมีการละบาปรักษาศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็จะมีความเป็นพระเกิดขึ้นมาเพราะความเป็นพระนี้เป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทำทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นความประเสริฐจึงไม่ได้อยู่ที่วันหรืออยู่ที่เครื่องนุ่งหม่มหรือเครื่องแบบบางท่านอาจจะใส่ชุดขาวใส่ชุดเหลืองแต่ถ้าไม่ทําบุญไม่ละ บ, บาปไม่ชําระใจให้สะอาดความประเสริฐก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะความประเสริฐเป็นผลที่เกิดจากการกระทํานั่นเองดังนั้น เราจึงมาวัดกันในวันพระเพราะวันพระเราจะได้มาทำสิ่งที่เราปกติไม่ได้ทำกันได้มาทำบุญใส่บาตรมาถวายสังฆทานมาสละทรัพย์เข้าของเงินทองสละเวลาสละความโลภความโกรธความหลงในสิ่งต่างๆ แล้วก็มาทาบุญกันนอกจากทาบุญแล้วก็ยังได้สมาทานศีลคือจะละเว้นจากการทาบาปห้าข้อคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สไม่ประพฤติผิดประเวณีสไม่พูดปด 5. ไม่เสพสุรายาเมานอกจากนั้นก็ยังมาได้ฟังเทศน์ฟังธรรม มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดความสงบเกิดความผองใสของจิตใจแล้วก็ไปปฏิบัติต่อปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะได้พบกับความสุข ีเหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่ได้เข้าสู่ความสงบก็ได้เข้าสู่ความประเสริฐระดับสูงถ้าได้เจริญปัญญาได้พิจารณาเห็นว่าทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ใจก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้านี่คือความประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญจากการปฏิบัติที่พวกเราได้มาบำเพ็ญได้มาปฏิบัติกันเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้มากขึ้นไปตามลำดับตอนนี้ยังถือว่าเป็นขั้นของเริ่มต้น คือขั้นของอนุบาลทำการเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าอยากจะเป็นขั้นระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องทำทุกวันทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับถึงจะเรียกว่าทำแบบเต็มที่เต็มร้อยที่เรียกว่าสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติอย่างนี้ ปฏิบัติเต็มที่เต็มรอยเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้าปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัติกันนี้ยังสุปฏิปันโนเพียงเล็กน้อยสุปฏิปันโนเชะพะวันพระส่วนวันอื่นก็ยังไปทาอะไรสัมาลเยเทมาวอยู่งั้นผลจะไม่เกิดได้มากเท่าที่ควรถ้าอยากจะได้ผลมากมา ก, มากเหตุก็ต้องมาก เหตุก็คือการกระทาก็ต้องมากเช่นยอยากจะทำทานให้เต็มร้อยก็ต้องสละหมดมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆไม่เอาแล้วยกให้คนอื่นไปขอไปบวชดีกว่าขอไปรักษาศีล227ข้อหรือรักษาศีลส0หรือรักษาศีล8ก็ได้ศีลทั้งสามนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นศีลของนักบวช ด, ด้วยกันต่างตรงที่ว่ายอยู่ในฐานะไหนถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนยังไม่สามารถนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ถือศีลแปดไปก่อนถ้าเป็นสามนเณรก็ถือศีลสิบไปก่อนถ้าเป็นแม่ชีก็ถือศีลแปดไปแต่ถือว่าเป็นศีลพอเพียงต่อการที่จะ จเจริญสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันบรรลุได้ด้วยศีแปดด้วยศีสิ0ด้วยศีริเพราะศีองรีนี้ข้อใหญ่ข้อสาคัญสาคัญก็อยู่ในศีแปนี่ดังนั้นถ้ารักษาศีแปได้ ก็ถือว่ามีศีลที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติทำขั้นสูงได้แต่ถ้ายังถือศีลห้าอยู่นี้จะยังไม่พอศีลห้านี้ไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนให้เจริญทำขั้นสูงได้คือการขั้นภาวนาเพราะศีลห้าไม่สามารถกำจัด นิวรันคือการมฉันทะได้การมฉันทะคืออะไรก็คือความยินดีความรักความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนั่นเองก็ยยังชอบดูชอบฟังชอบดื่มชอบรับประทานถ้าไม่มีศีลแปลดมาเป็นผู้ยับยัง้งก็จะไม่สามารถที่จะหยุดความชอบเหล่านี้ได้ แต่ถ้าถือศีลแปได้ศีลสิบได้หรือศีลงิได้ก็จะสามารถที่จะยับยั้งนิวร อ, อันนี้ได้คือไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายเช่นไม่ต้องไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ต้องกินอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆตลอดเวลา หยุดการหาความสุขแบบนี้แล้วก็มาถือศีลแปดศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้รับประทานมากเกินไปให้รับประทานได้เพียงครึ่งเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ต้องหยุดเพราะไม่จำเป็นแล้วร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วไม่ตายแล้วไม่หิวแล้วที่หิวเนี่ยไม่ได้หิวที่ร่างกาย หิวที่ใจความหิวที่ใจนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาไม่ใช่ความหิวที่ร่างกายความหิวที่ร่างกายนี้เราต้องให้มันถ้าไม่ให้มันกินเดี๋ยวร่างกายก็ตายร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องให้อาหารกับร่างกายตามความต้องการของร่างกายคือวาลาหนึ่งมื้อ หรือถ้าสองมื้อก็ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วถือว่าได้อาหารพอเพียงแล้วส่วนความหิวทางใจนี้เราก็ต้องมาใช้การปฏิบัติธรรมมาดับความหิวทางใจกันวิธีดับก็คือให้เราคิดถึงอาหารที่เราจะรับประทานว่าเวลาเข้าไปอยู่ในปากเวลาไปเคี่ยวไปผสมกับน้ำลายแล้ว มันน่าดูไหมถ้าอยากจะเห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรก็คลายมันออกมาใส่จานเคี้ยวๆๆแล้วก็คลายออกมาใส่จานเสร็จแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ตักเข้าไปในปากใหม่ถ้ามันอร่ออร่อยมันน่ากินก็ต้องตักเข้าไปกินได้ถ้าเห็นแล้วกินไม่ลงก็เถอว่าดีเป็นอุบายเป็นวิธีกําจัดความอยากกิน พอเห็นสภาพของอาหารที่ไม่น่ากินแล้วมันก็จะไม่อยากกินความหิวมันก็จะหายไปหรือคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่เราขับถ่ายออกมามันก็เป็นอาหารทั้งนั้นเวลาคิดอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานถ้าคิดอยู่ในถึงอาหารอยู่ในจานแล้วมันอดไม่ได้มันอยากขึ้นมาทันที พรามันน่าดูน่ารับประทานถ้าเราไม่อยากจะรับประทานถ้าเราอยากจะรักษาสิงแปได้โดยไม่ทุกข์ทรมานเราต้องพยายามเจริญความไม่สวยงามความไม่น่าดูของอาหารอยู่เรื่อยๆเวลาหิวเวลานึกถึงอาหารที่จะรับประทานก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากที่เราเคี้ยวบดกับผสมกับน้ำลาย หรือเวลาที่อยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมาหรือเวลาที่ขับถ่ายออกมาจากทวารหนักของเหล่านี้ก็เป็นอาหารที่เราอยากจะรับประทานทั้งนั้นแต่เราไม่มองส่วนที่มันทำให้เราหายอยากได้เรามักจะไปมองในส่วนที่ทำให้เราอยากกันเราจึงไม่มีความสามารถที่จะรักษาสินแปดกันได้เพราะ เดี๋ยวก็คิดถึงอาหารแล้วพอคิดถึงก็อยากกินแล้วถ้าไม่ได้กินก็เครียดทุกข์ขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าจิตใจสูงส่งคนที่รักษาศีลได้มากถือว่าเป็นผู้ที่สูงเพราะว่าเป็นผู้ที่จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น และตนเองตอนเองก็อยู่อย่างสงบผู้อื่นก็อยู่อย่างสงบผู้อื่นก็จะมีความเคารพนับถือสาเหตุที่เรากราบพระก็เพราะว่าพระท่านมีศีลกันท่านไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านไม่ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นนั้นมีความสุข หน้าที่ของพระช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการสอนผู้อื่นนั่นเองสอนธรรมะให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะได้รู้วิธีที่จะยกตนให้สูงให้ประเสริฐให้มีความสุขมากๆอยู่ที่การทำบุญอยู่ที่การรักษาศีลไายวันพระท่านก็ให้รักษาศีลแปก มันธรรมดาถ้ายังรักษาศีนแปดไม่ได้ก็ให้รักษาศีนห้าไปก่อนรักษาศีนห้าได้ก็จะป้องกันไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายใครถ้าไม่สามารถรักษาศีนห้าได้เวลาตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือผลของผู้ที่ ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ถ้าอยากจะรักถ้าไม่อยากจะไปอบายต้องรักษาศีลห้าหไฮดาทุกวันแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าการเป็นมนุษย์การเป็นเทวดาก็ต้องรักษาศีลแปถ้ารักษาศีลห้าแล้วทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันก็จะไปเป็นเทพ ถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องรักษาศีลแปดแล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานขั้นต่างๆรูปฌานหนึรูปฌานสองรูปฌานสารูปฌาน4อารูปฌานหนึ่งอารูปฌานสองอารูปฌานสามเอารูปฌาน4และขั้นสูงสุดก็คือสัญญาเวดี เวดีนิตะนิโรธสมาบัติอันนี้คือความสงบของจิตใจที่ละเอียดขึ้นไปตามลำดับก็ทำให้เกิดเป็นพรมที่ละเอียดขึ้นไปตามลำดับพมก็มีแปดเก้าชั้นขึ้นอยู่ที่ความสงบของใจถ้าสงบมากเท่าไหร่ก็จะสงบได้นานมากขึ้นไปเท่านั้น ถ้าไปเป็นพรมก็จะมีอายุยืนยาวนานขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเป็นพรมก็มีโอกาสที่จะเสื่อมหมดไปได้เพราะว่ากำลังของสมาธินี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังไม่เทียมเหมือนกับน้ำมันรถที่เราเติมเติมแล้วถ้าขับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวน้ำมันในถังก็จะหมดหมดก็ต้องกลับต้องแวะทัสถานีบริการไปเติมใหม่บุญที่เราได้ความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิก็จะค่อยๆหมดไปพอสมาธิหมดไปจิตก็จะเสื่อมลงมาสู่ขั้นของเทวดาแล้วพอบุญที่ได้ทำ ที่ทําให้ได้เป็นเทวดาหมดกําลังก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับขับรถไปที่สถานีบริการก็ต้องไปเติมน้ํามันใหม่ถ้ากลับมาเกิดแล้วไม่เติมน้ํามันไม่ทําบุญกลับไปทําบากรดายไปก็ต้องตกลงไปต่ํากว่าขั้นมนุษย์ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต เนอสูรกายไปตกนรกจนกว่าบาปจะหมดกำลังบาปก็เหมือนกับบุญที่มีวันเสื่อมหมดไปได้พอไปตกนรกพอบาปหมดก็กลับออกมาเป็นเปรตจากเปรตก็กลับมาเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ แต่พวกนี้เป็นเหมือนกับรถหมดไม่มีน้ำมันต้องเข็นรถไปที่สถานีบริการแต่พวกที่ทําบุญรักษาศีห้าไดาน้นี้ก็เป็นเหมือนพวกที่มีน้ามันพอน้ำมันใกล้หมดก็ขับรถไปที่สถานีบริการได้ไม่ต้องเข็นให้เหนื่อยพวกที่ไม่มีบุญไม่ได้รักษาสีนีเวลาไปเกิดในอบายก็เหมือนกับไปเข็นรถ เข็นใบจนกว่าจะถึงสถานีบริการพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายัางไม่ทำบุญไม่ทำไม่รักษาศีลก็จะกลับไปใหม่กลับไปในอบายใหม่ส่วนพวกที่ลงมาจากสวรรค์ก็เหมือนกันถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มาทำบุญใหม่อาสายบุญเก่ากินไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยทำไม่ทำบุญไม่รักษาศีล เดี๋ยวตายไปที่นี้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วไม่ได้ไปเป็นพรหมแล้วที่นี้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานนี่คือการไปการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้อยู่ที่กรรมกรรมก็คือการกระทำเนี่ยการทําบุญก็เรียกว่าเป็นกรรมการรักษาศีลก็เรียกว่ากรรมการนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เรียกว่ากรรมกรรมนี้เป็นคำการกลาง แต่ว่าการกระทําการกระทําทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้หมายความว่าบาปความจริงแต่เรามักจะใช้คําว่ากรรมแทนคําว่าบาปกันเช่นแทนที่จะพูดว่าบุญกับบาปแล้วก็ไปพูดว่าบุญกรรมกันความจริงแล้วกรรมนี้ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปเป็นการกระทําที่เป็นยังไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาป ขึ้นอยู่ว่ากระทาแบบไหนถ้ามาทําบุญวันนี้มารักษาศีลวันนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบุญมานั่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าบุญถ้ามาแล้วก็มาขโมยของที่วัดอย่างนี้ก็เรียกว่ามาทําบาปไม่ได้มาทําบุญนี่คือกรรมเป็นเหตุที่ทําให้เราสูงหรือเราต่ำ ขณะนี้ร่างกายเราอาจจะเป็นยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเรานี้อาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้หรืออาจจะต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้เพราะใจของเราสูงหรือต่ำนี้อยู่ที่กรรมที่เราทำในขณะนี้ถ้าเราทาบาปเราก็จะลงไปเป็นเดรัจฉานทันทีเช่นมาขโมยอาหารของวัดมาขโมยข้าวของของวัดกลับไป อย่างนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปแล้วแต่ถ้าเรามาทําบุญมารักษาสีไม่ทําบาปตอนนี้ใจของเราก็เป็นเทวดาแล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ใจก็จะเป็นพรหมแล้ว แล้วถ้าเราจเจริญปัญญาได้วิปัสสนาได้มองเห็นธรรมมองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะทำให้เราตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากต่างๆได้ตัดความโลภความโกรธความหลงได้พอตัดได้เราก็เป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามี พระอนาคามีพระอรหันต์แต่ร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมอย่างตอนที่พระพุทธเจ้านั่งตัดสร้อยอยู่ที่ใต้โคนต้นโพตอนนั้นร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่ได้เป็นเทพแล้วไม่ได้เป็นโรมแล้วแต่เป็นพระอรหันตตะสำมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยความประเสริฐอยู่ที่ใจ ร่างกายก็เป็นเหมือนเดิมร่างกายก็ยังมีอาการ32มีทั้งส่วนที่สวยมีทั้งส่วนที่ไม่สวยมีทั้งส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาดร่างกายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปร่างกายของพระพทธเจ้าก็เป็นเหมือนร่างกายของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ใจ ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวไม่เหมือนกับพวกเราที่เรายังหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่พอเรามีความคิดอย่างนี้เราก็จะมีความรักความหวงอยากจะให้ร่างกายเราอยู่กับเราไปนา น, าน ไม่อยากจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็วุ่นวายใจขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเรง็งรักษาไม่ได้แล้วเหลือเวลาสามเดือนเวลานั้นใจจะนิ่งจะสงบอย่างนี้หรือเปล่า ถ้านิ่งสงบก็ถือว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วคือไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนบงได้วางได้ยอมตายเพราะรู้ว่าร่างกายต้องตายรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวของเราชั่วคราวสร้างวันหนึ่งก็ต้องตายคนที่ไม่กลัวความตายนี่แหละก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วแล้วคนที่ไม่มีความอยากจะเสพกาม ไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็จะเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีและคนที่ไม่ถือตัวถือตนไม่ยึดว่ามีตัวมีตนไม่ไม่ถือว่าตัวเองสูงหรือต่ำใครจะว่าใครจะดา่าใครจะชมใครจะยกย่องใครจะทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีตัวตนที่ออกไปรับ มีแต่ตัวรู้ที่ออกไปรับเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยใครทำร้ายก็เฉยใครทำอะไรก็เฉยไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะยึดจะติดไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวรู้ว่ากำลังได้ยินคำชมรู้ว่ากำลังได้ยินคำดา่า รู้ว่ากำลังถูกเขาโกงรู้ว่ากำลังถูกเขาแย่งสามีแย่งภรรยาไปก็จะเฉยเฉยไม่วุ่นวายใจเพราะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปถ้าไปอยากให้อยู่กับเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจ ก็ต้องปร่งต้องปล่อยปล่อยแล้วจะเย็นจะสบายนี่แหละคือจิตของผู้ที่มีปัญญาจิตของผู้ที่มีวิปัสสนาจิตของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจิตของผู้ที่มีเห็นอริยรรสัจสี mm. ่เห็นทุกสมุทัยนิโรธนะับ mm. เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าเป็น ระดับโลกุตระผู้ใดได้เข้าสู่ขั้นโลกุตระแล้วจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันกลับมาลงต่ำได้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากพระโสดาวันไปเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ตามลำดับแต่จะไม่เปลี่ยนกลับมาเป็นเดะชะฉานไม่กลับมาเป็นมนุษย์ ไม่กลับมาเป็นพรหมไม่กลับมาเป็นเทพจะไม่ไปนรกโดยเด็ดขาดนี่คือกำลังของปัญญาจะเป็นอย่างนี้ปัญญาจะรักษาใจให้สงบให้นิ่งต่อให้บาปการรมที่เคยทำมามีกำลังมากขนาดไหนก็จะไม่สามารถฉุดลากใจที่มีปัญญานี้ให้ไปสู่อบายได้ พระอาริยะเจ้าทุกพระ อ, องค์ท่านจึงปิดประตูอาบายได้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอาบายอีกต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็กลับมาเพียงชาติเดียวถ้าเป็นพระอนาคารามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมชั้นสุดทาวาสห้าชั้นด้วยกันแล้วจากนั้นก็จะไปเข้าสู่พระนิพพานไปพระนิพพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดนี่เองสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นพรมและเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นพรมชั้นเทพที่จะต้องมีวันเสือ่อมแต่สวรรค์ชั้นทวมของพระ อ, อนาคามีนี้ก็ไม่เสือ่อม สวรรค์องพระอนาคามีสวรรค์ชั้นพรมห้าชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อมมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสวรรค์ชั้นพระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสุดท้ายพอถึงสวรรค์ชั้นนิพพานแล้วก็สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพลาดจากกันไม่ต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องเจอสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบกันเพราะไม่มีร่างกายไม่มีการเกิดจึงไม่มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือความประเสริฐเลิศโลกที่สูงสุดคือการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปที่เรากล่าวพระพุทธเจ้ากับาพระอรหันต์กัน ก็เพราะว่าท่านประเสริฐอย่างนี้ท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงท่านไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้ท่านจึงให้ได้อย่างเต็มที่มีเท่าไหร่ก็ให้หมดไม่เคยคิดจะเก็บเอาไว้เลยพระอระหันต์พระพุทธเจ้านี้ท่านสมเคาะโลกเพียงอย่างเดียวมีสมบัติเข้าของเงินทองได้มามากได้มาน้อยก็เอาไปแจกจ่าย เอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนท่านไม่ต้องการอะไรเพราะใจของท่านนี้เต็มเปี่ยมแล้วเต็มด้วยความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังแล้วไม่เหมือนใจของพวกเรายังเป็นใจที่ปรมังทุกข์ขังอยู่ยังต้องหาหนูน่นหานี่มาให้ความสุขแต่สิ่งที่เราหามาแทนที่จะเป็นความสุขกับเป็นความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีก ได้สามีมาก็ได้ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกกองนึงได้ลูกก็ได้ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกกองได้อะไรก็จะมีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราหูหนวกตาบอด ก, กันมองไม่เห็นว่าอะไรสุขอะไรทุกข์เห็นกับตาลปัดเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นว่าการทำบุญสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นทุกข์เห็นว่าการรักษาศีลเป็นทุกข์ เห็นว่าการนั่งสมาธิมันทุกขนะ์ไงแต่เห็นว่าเวลาได้สามีได้ภรรยามาเป็นสุขได้ลูกมาเป็นสุขได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมาเป็นสุขแล้วตอนนี้ทุกข์กับอะไรทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาไม่ใช่เหรอทุกข์กับลูกไม่ใช่เหรอทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองไม่ใช่เหรอนี่แหละเป็นเรื่องของความหลงที่พวกเราต้อง มาแก้ให้ได้ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าทำแบบพระพุทธเจ้าต้องทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งสามีทิ้งภรรยาแล้วก็มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันแล้วเราจะได้ปรามังสุขขังตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้